อยู่ในขอบนอกบริเวณนั่นแหะออยู่ในเมืองนั่นแหล ะ, อะพอมามาพูดวันเนี่ยข้าพรเจ้าเข้าไปกราบสมณะโคโดมเมื่อกี้เน่ยพอไปกราบเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ฟังอสมณะโคโดมบอกว่าเสียงไหนที่รักมากถึงนั้นก็ทุกข์มากพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นอย่างไรพวกนักเลงสา ก, กานกเลียงมักฮอต น, นไป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 อ, อจะทานอาหารในพวกเสนาอามาทราชเสวกทั้งหลายอย่างโปรฮิตตาจานทั้งหลายมาเลี้ยงสังสรร์เลี้ยงอาหารก็เลยปาลบคำนี้ขึ้นมาพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งไหนที่รักมากสิ่งนั้นก็จะทุกมากแต่นี่เป็นคาพูด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 สันทะวิริยะจิตตวิมังส า, า, าและก็ บ, บุคคลหาได้ยากสองอย่างบุพภกาลาีและก็ บ, บุกตันยูตเวทิต า, าสิ่งเหล่านี้ทางว่าทำถูกต้องเป็นธรรมแล้วมีแต่ความาร่มเย็นเป็นสุขแต่ทางพวกพวกเราทาไม่ถูกแล้วมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายนั่นแหละ เ, เพราะนั้น พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนำธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้มาพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธองค์สอนความพร้อมเพียงความสมัคีใจในกลุ่มในหมู่ในคณะแต่ว่าสังฆโสภาความพร้อมเพียงของสงเกิดสุขความพร้อมเพียงของกลุ่มจะเป็นหมู่บ้าน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 ส่วนไรส่วนหนึ่งแตกสมมฤทธิซะนี่ ส, สมมติตาข้างหนึ่งแตกสมมฤทมันเจ็บมันปวดมันป่วยร่างกายของเราอย่าหวังเลยว่าจะมีความสุขมีความทุกข์กับตาของเราหูก็เหมือนการปวดหูข้างหนึ่งซะหรือฟันกันดูของเรามันออกไปชิ้นใดชิ้นหนึ่งมันปวดมันลาวซะ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 ถ้าว่าร่างกายของเรามีความสมคคีปองดองกันร่างกายของเราจะเดินเหินไปที่ไหนก็มีแต่ความสงบสุขทุกสบายแต่ถ้าว่าร่างกายแตกแยกสมคคีกันไปที่ไหนก็ไม่อยากจะไปทั้งนั้นหละมันเจ็บมันปวดมันทรมานนี่ก็เหมือนกันถ้าเปรียบเทียบไปข้างนอกไครอบครัวได้พ่อแม่ลูก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 จากนั้นก็ไม่คิดถึงพระเลยนั้นปลว่าใช่ไม่ได้ห่างเหินทางจิตใจจนเกินไปเราต้องศึกษาพรพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรเราวก็ควรประพฤติปฏิบัติทำตัวอย่างไรนี่แหละให้ศึกษาถ้าศึกษาแล้วทำคำสั่งสอนของพรพุทธเจ้ามีเหตุผลทุกอย่างมีเหตุมีผล น่าศึกษาน่าเชื่อถือน่านับถือน่าเชื่อฟังเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสออกมาตรงไหนมีเหตุมีผลทั้งนั้นเรามาวิเคราะห์ดูแล้วน่านับถือน่าเคารพน่าบูชาทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสออกมาได้อย่างนี้ฉลาดจริงๆรอบรู้จริงๆ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 แต่มีสติอยู่เสมอแล้วกิเลสจะเข้ามาไม่ได้จากนั้นก็นํามาพิจรารณาทางด้านปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตาคนเราเกิดมาร้อยจังร้อยพันทั้งหมื่นแสนทั้งแสนล้านทั้งนั้น ต, ONE, ตายหมดไม่มีใครอยู่ค้ำค้ า, าได้เราจะไปะอยู่คนเดียวได้เหรอ เ, เขาก็ตายเราก็ตายแต่ว่าความตายตัวนี้นะมรณะภัยตัวนี้นะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดบอกพวกเเจ้ทาท่านว่าเรานึกดูซิ